หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานข้องหลักการปฏิบัติที่จัดเป็นระบบพุทธพจน์ที่แสดงหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานมักเป็นไปในรูปของคำสอนให้พิจารณาสภาวธรรมอย่างที่ได้ยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นหากจะแสดงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะเรียกได้ว่าเป็นระบบก็เป็นเพียงการแสดงขั้นตอนอย่างกว้างๆพุทธพจน์แนวนี้ที่นับว่าละเอียดที่สุด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 เช่นวิสูตที่เจ็ดวิสูตที่9เป็นต้นการที่เป็นอย่างนี้สันนิษฐานได้ว่าแบบแผนและรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติคงเป็นเรื่องที่ท่านทําและนําสืบสืบกันมาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนวิธีที่อาจารย์สั่งสอนและฝึกหัดสิทธินอกจากนั้นรายละเอียดปลีกย่อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามกลวิธีของอาจารย์ต่างสํานักกันด้วยประเพณีปฏิบัติคงดําเนิ น, น, นมาเช่นนี้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 อย่างที่เรียกลำดับญาณด้วยเขาโครงทั่วไปของการปฏิบัติท่านถือตามหลักการของไตรสิกขาแล้วขยายออกตามแนววิสุทธิี่7ส่วนขั้นตอนของความเจริญปัญญาภายในหรือวิปัสนาญาณท่านขยายความจากเนื้อหาบางส่วนในคำพีปฏิสัมพิธามรรคในที่นี้จะแสดงระบบการปฏิบัติที่สรุปตามแนวของคมภีวิสุทธิมรรคนั้นซึ่งแสดงได้เป็นขั้นตอน เบื้องแรกพึงเข้าใจความหมายของคำศัพท์สำคัญก่อนคำศัพท์แรกวิสุทธิวิสุทธิแปลว่าความหมดจดคือความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเป็นขั้นขั้นหมายถึงธรรมที่จำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นขั้นขั้นไปโดยลาลับจนบรรลุจุดหมายคือนิพพานจำแนกเป็นเจ็ดขั้นดังจะแสดงต่อไปคำศัพท์ที่สอง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 เวทนาคือสิ่งที่มีลักษณะเสวยอารมณ์นี้คือสัญญาสัญญาคือสิ่งที่มีลักษณะกำหนดได้หมายรู้ดังนี้เป็นต้นคือรู้ว่าคืออะไรปริญญาขั้นที่สองตีรณะปริญญากำหนดรู้ขั้นพิจารณาคือรู้ด้วยปัญญาที่ยังลึกซึ้งไปถึงสามั ญ, ญลักษณะได้แก่รู้ถึงการที่สิ่งนั้นๆเป็นไปตามกฎธรรมดาโดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเช่นว่าเวทนาและสัญญานั้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นคือรู้ว่าเป็นอย่างไรปริญญาขั้นที่สามปหาณปริญญากําหนดรู้ถึงขั้นละได้คือรู้ถึงขั้นที่ทำให้ถอนความยึดติดเป็นอิสระจากสิ่งนั้นนั้นได้ไม่เกิดความผูกพันหลงไหลทำให้วางใจวางท่าที และปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเช่นเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ละนิจจะสัญญาเป็นต้นในสิ่งนั้นๆได้คือรู้ว่าจะทำอย่างไรคำศัพท์ที่สามที่พึงเข้าใจความหมายก่อนคือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณแปลว่าญาณในวิปัสสนาหรือญาณที่นับเข้าในวิปัสสนาหรือญาณที่จัดเป็นวิปัสสนา